คำพีวิสุทธิมักพระพุทธโฆสเถระรจนาสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภามหาเถระแปลและเรียบเรียงพุทธโคสปวัติกถากระถาว่าด้วยประวัติท่านพระพุทธโค ส, ท, โคสท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตเ่งเขมาจารีมหาเถระนิพน์ภาษาบาลี คำแปลภาษาไทยธนิตยูโภัทิวิหาริกที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครั้นล่วงเวลาไปได้เก้าร้อยห้าสิบหกปีนับแต่การปรินิพานแห่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชามีพระนามว่ามหานามะทรงครองราชในลังกาทวีปกล่าวกันว่าในชมพูทวีปคืออินเดียสมัยนั้นมีพรามหนุ่มผู้หนึ่ง บังเกิดในตระกูลพรามตระกูลหนึ่งณที่ใกล้สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในมัชชิมะประเทศพรามหนุ่มนั้นเชี่ยวชาญในศิลปะทั้งปวงรู้จบตรเพศท่องเที่ยวไปตลอดหมู่บ้านนิคมชนบทและราชธานีทั้งหลายในชมพูทวีปณที่แห่งใดแห่งใดมีสมณะและพรามทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตอยู่อาศัยก็ไปณที่สถานที่แห่งนั้นนั้น เราทำการสนทนาด้วยสมณะและพราหมณ์บัณฑิตพวกอื่นมีมสามารถกล่าวแก้ปัญหาที่พราหมณ์หนุ่มนั้นถามได้แต่พราหมณ์หนุ่มนั้นวิสัชนาปัญหาที่สมณะและพราหมณ์บัณฑิตพวกอื่นถามได้ด้วยอาการอย่างนี้พราหมณ์หนุ่มนั้นจึงครอบงำไปตลอดทั้งสากลชมพูทวีปแล้วเดินทางมาถึงวิหารแห่งหนึ่ง แต่ท้าว่าในวิหารนั้นมีพระภิกษุอยู่หลายร้อยท่านพระเรวตตะผู้เป็นพระสังฆเถระของพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระมหาขีณาสพได้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีผู้ทำลายวาทะของฝ่ายอื่นครั้งนั้นแลพรามหนุ่มรร้ปัตตันชลีมนให้มีป ร, ริมนทนโดยสมบูรณ์บทอยู่ตลอดคืนครั้นพระเถระได้ยินเสียงพรามหนุ่มสาธยายอยู่ ก็รู้ได้ว่าพราม์หนุ่มผู้นี้นั้นมีปัญญามากเราควรฝึกฝนพราหมณหนุ่มผู้นั้นไว้จึงเรียกพราหมณหนุ่มนั้นมาหาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านี่นะพราหมณ์ใครน้อแลร้องเสียงเหมือนลาร้องพราหมณหนุ่มถามว่าข้าแต่ท่านนักบวชท่านรู้เสียงร้องของลาทั้งหลายด้วยหรือพระเถระตอบว่าจะฉันรู้ แต่ว่าพรามหนุ่มนั้นโดยตนเองก็ไม่เห็นนัยยะของฐานะที่เป็นเงื่อนงำในไตรเพศซึ่งมีอติหาสะเป็นอันดับห้าอยู่แล้วอีกทั้งอาจารย์ของพรามหนุ่มนั้นก็ไม่เห็นเช่นกันพรามหนุ่มนั้นจึงถามพระเทระในฐานะตรงที่เป็นเงื่อนงำเหล่านั้นแท้จริงพระเทระเป็นผู้รู้จบไตรเพศแม้โดยปกติอยู่แล้วแต่ณบัดนี้ ท่านได้บรรลุปฏิสัมพิทาสีอีกด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีความหนักใจในการวิสัชนาปัญหาเหล่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงวิสัชนาปัญหาเหล่านั้นได้ทันทีทันใดแล้วกล่าวกับพรามหนุ่มว่าดูก่อนพรามผู้เจริญฉันถูกท่านถามมากแล้วบันนี้จะขอถามปัญหากับท่านสักข้อหนึ่งท่านจากพยากรปัญหาของฉันไหม พระนุ่มตอบว่าได้ขอรับท่านนักบวชโปรด ถ, ถามเถอพระเทระจึงถามปัญหานี้ซึ่งอยู่ในคัมภียามะกะตอนจิตตะยามะกะว่าจิตของบุคคลใดบังเกิดขึ้นยังไม่ดับจิตของบุคคลนั้นจากดับจากไม่บังเกิดขึ้นหรือก็หรือว่าจิตของบุคคลใดจากดับจากไม่บังเกิดขึ้นจิตของบุคคลนั้นบังเกิดขึ้นอยู่ อย่างไม่ดับพรามหนุ่มมีสามารถจําเบื้องบนหรือเบื้องล่างคือเบื้องต้นหรือเบื้องปลายจึงเรียนถามว่าข้าแต่ท่านนักบวชนี้มีชื่อว่าอะไรพระเทราะตอบว่าดูก่อนพรามนี้มีนามว่าพระพุทธมนพรามหนุ่มกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญแต่ว่าท่านสามารถให้พระพุทธมน์นี้ แกข้าพระเจ้าได้ไหมพระเทราะตอบว่าดูก่อนพราหม์เราสามารถให้ได้แก่บุคคลผู้ถือบวชอย่างที่พวกเราถืออยู่แล้วครั้นแล้วพรามหมณุ่มก็ขอบรรพชาเพื่อต้องการได้พระพุทธมนต์พระเทราะจึงให้พรามหมณุ่มนั้นบรรพชาแล้วให้อุปสมบทแล้วให้เล่าเรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกพระภิกษุนั้น ได้ปรากฏแล้วในโลกว่าพระพุทธโคสะเมื่อพระพุทธโคสะอยู่ในวิหารนั้นได้รจนาประกรณ์ชื่อว่ายาโนไทยไว้ในวิหารแล้วเริ่มจะรจนาคำพีชื่อว่าอัตสาลินีอันเป็นคำภีอัตถกถาของอภิธรรมะสังคณีประกรณ์และคำพีอัตถกถาพระบริตรครั้นพระเถระได้เห็นคำพีอัตถกถานั้นแล้ว ซึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพุท ธ, ธโคสะผู้อาวุโสในชมพูทวีปนี้มีอยู่แต่เพียงบาลีพระไตรปิฎกเท่านั้นหามีอัตถกถาของบาลีพระไตรปิฎกนั้นและเทราวาฏอยู่ไม่แต่คำพีอัตถกถาภาษาสิงหลที่ขึ้นสู่สังคยานาสามครั้งแล้วซึ่งพระเถระทั้งหลายมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นรจนาไวแล้วท่านพระมหินตรวจรากถามัก เล่ารจนาไว้ด้วยภาษาสิงห์น่ยังเป็นไปอยู่ในทวีปสิงหนเธอเองจงไปในทวีปสิงห์นตรวจราดูคำภีอัตถกาถาทั้งปวงแล้วแปลกลับมาในภาษามคตอัตถกทถาที่แปลกลับมานั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวงครั้นพระเถระกล่าวอย่างนั้นท่านพระพุทธโคสะก็ถึงปีติสมนัต กราบลาพระอุปัชฌายะและพระภิกษุสงฆ์และเดินทางมาถึงท่าเรือโดยลําดับขึ้นเรือลั่นไปพบท่านพุทธทัทตตะเทระสวนทางมาณถ้ำกลางมหาสมุทรทําการสนทนาปราศัยกันแล้วเดินทางต่อไปจนถึงท่าเรือในลังกาในเวลานั้นพระราชาทรงพระนามว่ามหานามะเสวยราชในลังกาทวีป ครั้งนั้นและท่านพระพุทธโคสะไปพบพระภิกษุสงฆ์ในมหาวิหารณกรอนุราธปุระและไปะยังสำนักของพระสังฆปาละเทระในเรือนมหาประทานได้ฟังอัตถกถาในภาษาสิงหลนและเทรวาทั้งหมดแล้วทำความตกลงใจว่านี้เป็นพระบรมพุทธทิบายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระธรรมจึงไปยังที่ประชุมสงฆ์ในวิหารนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ค้าแต่พระสงค์ผู้เจริญก็โ อ, อกาสโปรดให้คัมภีร์ทั้งหลายแก่กระผมเพื่อรจนาอัรฐกถาพระไตปิโดด้วยเถิดครั้งนั้นแหละเพื่อทดสอบความสามารถของท่านพระพุทธโคสะนั้นพระภิกษุสงฆ์จึงมอบพระคถ า, าให้สองพระคถ า, าแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านจงแสดงความสามารถในสองพระคถทานี้ก่อนรอเห็นความสามารถของท่านแล้ว จะมอบคำผีให้แม้ทั้งหมดเลยครั้งนั้นแลท่านพระพุทธโคสะตรวจดูบาลีพระไตรปิฎกและอัตถกถาของบาลีพระไตรปิฎกนั้นแล้วได้รวบรวมรัตนาปากรชื่อว่าวิสุธทธิมักคะขึ้นไว้ในครั้งนั้นเพื่อประกาศความเชี่ยวชาญของท่านพระพุทธโคสะนั้นให้ปรากฏในประชาชนเทวดาได้ทำให้คำผีที่ท่านรันาเวลาแล้วนั้นหายไปเสีย ท่านพระพุทธโคสะนั้นก็รจนาขึ้นอีกคำภีหนึ่งเทวดาก็ทำให้คำภีแม้นั้นหายไปอีกท่านก็รจนาขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามขณะนั้นเทวดาก็ถวายสองคำภีเดิมคืนแก่ท่านเวลานั้นจึงได้มีวิสุทธิมรรคปกรณเป็นสามคำภีครั้นแล้วท่านพระพุทธโคสะก็ถือเอาคำภีทั้งสามจบนั้นไปมอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในการนั้น พระภิกษุสงฆ์จึงให้อ่านทั้งสามคำพีสอบทานด้วยกันก็มิได้มีความแตกต่างกันในคัมภีร์ทั้งสามนั้นทั้งโดยคันทะหรือโดยอักขระหรือโดยบทหรือโดยพยัญชนะหรือโดยอัถะหรือโดยเบื้องต้นและเบื้องปลายหรือโดยเทรวาดเป็นต้นหรือโดยพระบาลีทั้งหลายเล่ากันว่าเมื่อท่านพระพุทธโคสะได้รจนาคัมภีร์ทั้งสามจบลงด้วยประการชนนี้ เทวดาทั้งหลายได้ทำสาธุ ก, การอันหนึ่งสมัยนั้นแลพระภิกษุหลายพันรูปร่วมประชุมกันอยู่ในมหาวิหารได้เห็นความมหัศจรรย์นั้นก็พากันยินดีชื่นชมให้สาธุ ก, การแล้วโฆษณาขึ้นว่าท่านองค์นี้เป็นพระเมธไรโพธิสัตว์มาเกิดเป็นแน่ครั้งนั้นครั้นพระมหาราชาได้ทรงสดับอุโคตนั้น จึงแวดล้อมด้วยราชบริษัทหมู่ใหญ่เสด็จออกจากพระนครไปยังมหาวิหารส่งนมัส ก, การพระสงฆ์และส่งนมัส ก, การพระพุทธโคสะตรัสนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสนิมนต์รับพิกษาในเคหะของฉันจนกว่าจะรันาพระธรรมจบท่านรับนิมนต์โดยดยสนีภาพครั้งนั้นแลพระภิกษุได้มอบคมภีบาลีพระไตรปิฎก พร้อมทั้งคำภีอัตถกาถาในภาษาสิงหลนให้แก่ท่านพุทธโคสะครั้งแล้วท่านพระพุทธโคสะได้รับเอาคำภีทั้งหมดแล้วไปอยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งชื่อว่าประธานคาคราณด้านทักษินของมหาวิหารแล้วแปลอัตถกถาภาษาสิงหลนทั้งหมดรจนาเป็นอัตถกาถาแห่งพระไตรปิฎกในภาษามคตซึ่งเป็นภาษาเดิม ความจริงคำพีอัตถกาถาในภาษาสิงห์หนมีอยู่สามอย่างคือมหาอัตถกาถาปัจจริยอัตถกถาและกุรุนาทีอัตถกถาอัตถกาถาที่ขึ้นสู่การสังคยนาครั้งใหญ่ซึ่งท่านมหาหินทะเทระนำมาแล้วรจนาไว้ในภาษาสิงหลนชื่อว่ามหาอัตถกถาอัตถกถาที่พระภิกษุทั้งหลายประชุมกันในเรือนแพ ซึ่งเป็นภาษาสิงห์นมีชื่อเรียกเรือนแพรว่าปัจจริยะเรารจนาไว้ชื่อว่าปัจจริยาอัตถกถาอัรถกถาที่พระภิกษุทั้งหลายประชุมกันในกุรุนทเวลุวิหารซึ่งมีอยู่แล้วรจนาไว้ชื่อว่ากุรุนาทีอัถกถา ว่าท่าที่พระอาจารย์ทั้งหลายมีพระอาจารย์ชั้นพระเทระเป็นต้นในการก่อนถือเอานัยยะพระบาลีรจนาไว้ชื่อว่าเทโรวาดท้าจริงท่านพระพุทธโคสะได้ป ร, ริวัติตัถกถากรุณนาทีจากภาษาสิงห์หนก่อนแล้วได้รจนาอัตถกถาวินัยปิฎกชื่อว่าสมันตปสาธิกาด้วยภาษามคตซึ่งเป็นภาษาเดิม ต่อจากนั้นในส่วนสุดตันตปิดกได้ปริวันตมหาอัตถกถาจากภาษาสิงหนแล้วเรียบเรียงอัตถกถาที่ขานิกายไว้ชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีอีกทั้งได้เรียบเรียงอัตถกถามาชิมะนิกายไว้ชื่อว่าปปัญจสุทนีเรียบเรียงอัตถกถาสังยุตานิกายไว้ชื่อว่าสารัฐถักกาสินี แล้วเรียบเรียงอัตถกถาอังคุตระนิกายไว้ชื่อว่ามโนรถะปุรณีในลำดับนั้นได้ปาริวัตตะปัญจริยะอัตถกาถาในอภิธรรมปิฎกจากภาษาสิงหหนแล้วเรียบเรียงอัตถกธถาธรรมสังคณีไว้ชื่อว่าอัถสาลินีด้วยภาษามคธซึ่งเป็นภาษาเดิมอีกทั้งเรียบเรียงอัตถกถาวิพังข้าประกอไว้ ชื่อว่าสัมโมหวิโนทนีและเรียบเรียงอัตถคถาของปรกรณ์ทั้งห้าชื่อว่าปารมัตถีปณีไว้ด้วยท่านพระพุทธโคสะได้ทำอัตถคถาภาษาสิงหนแม้ทั้งหมดให้เป็นอัตถคถาแห่งพระไตรปิฎกด้วยภาษามคตซึ่งเป็นภาษาเดิมอย่างนี้ด้วยประการดังกล่าวนี้แหละอัตถคถาในภาษามคตแม้นั้น ได้นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวต่างประเทศทั้งหลายทั้งปวงเมื่อการแปลอัถกถาพระไตรปิฎกสิ้นสุดลงได้เกิดแผ่นดินไหวอัถกถาพระไตรปิฎกที่ท่านพระพุทธโคสรจนาดังกล่าวมานี้จบลงโดยใช้เวลาเพียงปีเดียวเท่านั้นครั้งนั้นแหละท่านพุทธโคสะครั้นทากิจเสร็จแล้วปรารถนาจะไหวพระสีมหาโพ จึงกราบลาพระภิกษุแล้วกลับไปชมพูทวีปด้วยประการชนนี้แลอันหนึ่งในคะถาว่าด้วยประวัติพระพุทธโคสนี้ท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวสังคหะคาถาไว้ปลาได้ดังนี้ครั้นล่วงไปแล้วเก้า้อยห้าหแต่การป ร, รินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ใน น, นรชน พระนามว่ามหานามะได้เสด็จถ е л ิงราชาในลังกาโดยราชธรรมสิบประการณที่ใกล้สถานตรัสรู้เกิดพราหมณ์หนุ่มผู้มีความรู้ในวิชาและกระบวนศิลปะถึงฝั่งในพระเวทสามรู้ลัทธิสมัยด้วยดีเชี่ยวชาในวาทะคือลัทธิทั้งปวงมีความต้องการในการโต้แย้งวาทะเที่ยวปะวาทะไปในชมพูทวีปเดินทางมาถึงวิหารแห่งหนึ่ง แล้วร่ายความรู้ของท่านปตัญชลีอย่างสมบูรณ์บทมีปริมนทนดีอยู่ตลอดราตรีในวิหารนั้นมีพระมหาเทราองค์หนึ่งชื่อว่าเรวตะรู้ชัดแจ้งว่าสัตว์ผู้นี้มีปัญญามากเราควรฝึกฝนไว้แล้วท่านก็แซงกล่าวว่าใครหนอร้องอยู่อย่างเสียงลาร้องพระมุ่งกล่าวถามท่านว่าท่านรู้ความหมายในเสียงร้องของลาด้วยหรือ ท่านกล่าวว่าฉันรู้พราหมหนุ่มนั้นจึงทำให้ท่านอย่างลงสู่ปัญหาที่เป็นความรู้ในลัทธิฝ่ายตนพระเทระก็พยากรณ์ปัญหาที่พราหมหนุ่มถามแล้วถามแล้วได้อีกทั้งชี้แจงข้อผิดพลาดให้ด้วยพรามหนุ่มนั้นถูกพระเทระท้วงว่าถ้ากระนั้นท่านจงอย่างลงคือซักถามว่าทะคือลัทธิของอัตมาบ้าง พราหมณ์หนุ่มนั้นก็กล่าวแก้ความหมายแห่งบาลีมหาอภิธรรมของท่านไม่ได้พราหมณ์หนุ่มจึงกล่าวว่านี่เป็นมนของใครท่านบอกว่าเป็นพระพุทธมนต์พราหมณ์หนุ่มกล่าวว่าโปรดให้กระผมเถิดพระเถระกล่าวว่าเราจะให้แก่บุคคลผู้ทรงเพศของพวกเราพราหมณ์หนุ่มนั้นอันเหตุแห่งบุญในการก่อนชักจูงแล้วจึงบรรพชา เพื่อต้องการได้พระพุทธมนตร์ครั้นเข้าได้อุปสมบทแล้วก็เล่าเรียนพระไตรปิฎกภายหลังท่านได้ถือเอาพระไตรปิฎกนั้นว่ามรรคนี้เป็นทางดําเนินทางเดียวท่านเป็นผู้ปรากฏโดดเด่นดุด ด, ดังดวงไฟดุดดังดวงจันทร์ดุดดังดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถพยากรณ์อัท ธ, ธะอันล้าลึกแก่สัตว์ทั้งหลายได้ดุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงมีนามว่าพุทธโคสะ เป็นปานประหนึ่งองค์พระพุทธเจ้าบนพื้นแผ่นดินในครั้งนั้นท่านผู้มีความรู้นั้นได้รจนาปรกรณ์ชื่อยานโนไทขึ้นไว้ในวิหารนั้นแล้วได้รจนาคำพีอัฏถสาลินีอันเหมาะสมของธรรมสังคณีและเริ่มรจนาอัฏฐคาถาพระประริษด้วยพระเรวัตเถระได้เห็นคำพีอัฏฐคธานั้น จึงกล่าวคำนี้ว่าในชมพูทวีปนี้นำสืบต่อกันมาแต่เพียงคำพีพระบาลีไม่มีอัตถกถาอีกทั้งอาจาริยาวาดมีรูปประเภทต่างๆก็ไม่มีในชมพูทวีปนี้แต่คำพีอัตถกถาในภาษาสิงหลนล้วนซึ่งท่านพระมาหินผู้มีความรู้ได้ตรวจรากถามักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และที่พระเทระ มีท่านพระสารีบุรเป็นต้นร้อยกรองไว้ซึ่งขึ้นสู่สังขยาสามครั้งแล้วได้สร้างขึ้นไว้ในภาษาสิงหนเป็นไปอยู่ในหมู่ชาวสิงหนเธอจงไปในทวีปสิงหนนั้นฟังอัรถกถาภาษ า, าสิงหนนั้นแล้วแปลไว้ในภาษามะคตอัตถกถาที่แปลในภาษามคตนั้นจะนามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง ครั้นพระเทระกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านผู้มีความรู้มากก็เลื่อมใสออกจากวิหารนั้นเดินทางมายังลังกาทวีปนี้ในรัชการของพระราชามาหานามะพระองค์นี้นั่นแหลมาถึงมหาวิหารซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านสาธุภิกษุทั้งปวงแล้วไปยังเรือนมหาประธานได้ฟังอัตถคถาภาษาสิงหนและเถรรวาโดยประการทั้งปวงจากสำนักท่านพระสังฆปาละแล้ว ก็ตัดสินใจว่านี่แหละเป็นพระบรมพุทธาธิบายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระธรรมจึงนิมนต์พระสงฆ์ในวิหารนั้นมาพร้อมกันแล้วกล่าวว่าโปรดให้คำภีทั้งปวงแก่กระผมเพื่อสร้างอัตถคถาด้วยเถิดเพื่อทดสอบสติปัญญาพระสงฆ์จึงมอบสองพระคถาให้แก่ท่านพระพุทธโกษะโดยกล่าวว่าท่านจงแสดงความสามารถของท่านในสองพระคถานี้ เราได้เห็นความสามารถนั้นแล้วจะให้คำภีทั้งหมดท่านจึงรวบรวมพระตายปิดกพร้อมทั้งอัธกถาโดยย่นยอ่อแล้วรจนาประกอรชื่อว่าวิสุทธิมัคคะในมหาวิหารนี้นั่นเองครั้นแล้วท่านได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ฉลาดในความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประชุมกันณที่ไกลต้นพระศีมหาโพในลังกา แล้วเริ่มให้อ่านปากกณ์วิสุทธิมัคคะเพื่อประกาศความเชี่ยวชาญของท่านให้ปรากฏในประชาชนเทวดาทั้งหลายจึงซ่อนคำพีที่ท่านเขียนแล้วไว้เสียท่านเองก็ได้ทำปากกอ์วิสุทธิมัคคะนั่นอีกถึงสองครั้งสามครั้งเมื่อนำเอาคำพีมาเพื่อให้อ่านในวรระที่สามเทวดาทั้งหลายจึงนำอีกสองคำพีมาวางไว้ด้วยกัน ณที่นั้นครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงได้อ่านคำพีทั้งสามด้วยกันความแตกต่างกันโดยคันทะก็ดีโดยอัตทะก็ดีโดยเบื้องต้นและเบื้องปลายก็ดีโดยบาลีทั้งหลายก็ดีโดยบททั้งหลายก็ดีโดยพยัญชนะทั้งหลายก็ดีมิได้มีในคำพีแม้ทั้งสามเลยครั้งนั้นพระสงฆ์ต่างยินดีชื่นชมเป็นพิเศษ พูดกันแล้วกันเล่าว่าท่านผู้นี้คือพระสีอริยาเมตรัยมีต้องสงสัยแล้วมอบคำผีพระไตปิดกพร้อมทั้งอัตถกาถาให้ในครั้งนั้นท่านอยู่ในวิหารซึ่งเป็นคลังแห่งคำภีเป็นที่ห่างไกลความพลุกคลีได้แปลอัตถกาถาภาษาสิงหนแมททั้งหมดลงในภาษามาคตอันเป็นภาษาเดิมของอัตถกถาทั้งปวง อัตถกถาภาษ า, ามคตนั้นเป็นอัตถกถาที่นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทุกภาษาพระอาจารย์ชั้นพระเทระทั้งหลายทั้งปวงถืออัตถกถาภาษ า, ามคตนั้นเป็นประหนึ่งพระบาลีครั้งนั้นครั้นเมื่อกิจที่ควรทำทั้งหลายถึงความสำเร็จบริบูรณ์แล้วท่านพระพุทธโคสะนั้นก็กลับมายังชมพูทวีปเพื่อนมัสการพระสีมหาโพธิ์ นาพุทธคยาพระราชามหานามะทรงครอบครองพื้นแผ่นดินใหญ่ตลอดสิบสองปีทรงสร้างบุญทั้งหลายอย่างงดงามแล้วเสด็จไปตามยธากรรมฝ่ายพระพุทธโคสะเทระนั้นได้รจนาอัตถกถาพระไตรปิฎกไว้ได้สร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกเป็นอันมากทำรงอยู่ตลอดอายุไข ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วชะนี้แหลในคาถานี้กล่าวว่าท่านพระพุทธโคสะไปเกิดในชั้นดุสิตแต่ในคถาท้ายคำพีวิสุทธิมัคคะฉบับอักษรสิงหนนกล่าวว่าท่านพุทธโคสะปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงคำปรารถนาของท่านพุทธโคสะเทระวิสุทธิมัค ฉบับอักษรสิงหนมีคาถาต่อท้ายว่าบุญใดสำเร็จด้วยการกระทำนี้และบุญอื่นใดที่ข้าพเจ้าขวนขวายไว้ด้วยกรรมเป็นบุญนั้นในอัตภาพที่สองขอให้ข้าพเจ้าปราโมทดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงยินดีในคุณคือศีลและอาจาระไม่เกี่ยวก่ะในกรรมคุณห้าได้บรรลุอริยผลชั้นที่หนึ่งคือโสดาปติผล ในอัตภาพสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระสีอริยะเมตไตรพระมุนีผู้ประเสริฐผู้เป็นบุคคลยอดของโลกพระผู้เป็นนาถะผู้ทรงพอพระทัยในการเกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังพระสัตธรรมของพระมุนีพระองค์นั้นผู้เป็นปราชิแล้วได้บรรลุพระอริยผลชั้นยอดคืออรหัตตผลพึงทําพระศาสนาของพระชินเจ้า ให้งดงามด้วยประการชนี้เถิน